พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบสามลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคมน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่ารักษาศีลข้อเดียว เมื่อวานหลวงพ่อกว่าจะได้ลงจากศาลาได้เกือบบ่ายสองโมงพอจะน่าจขึ้นไปพักหน่อยหนึ่งประมาณบ่ายสามสี่โมงลงมาฉันน้ำประมาณสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงเรียกพระใหม่เข้าไปขอนิสัยรับวินัยเบื้องต้น พอบวชเข้ามาแล้ววินัยอันไหนควรจะรับรู้รับทราบก่อนก็ได้เรียกวินัยเรียกพระสงฆ์เข้าไปเรียกพระเข้าไปรับขอนิ้ัยแล้ววินัยเบื้องต้นนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับวินัยพระบวชใหม่ในครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีท่านหนึ่งท่านอยากจะได้บุญ จะทำอย่างไงผมจ ะ, จะได้บุญครับพระคุณท่านคือไปถามพระครูบาอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนับถือเลื่อมใสพระต้นตระกูลหรือว่าต้นหนนพระคุณท่านพระอาจารย์จะทำอย่างไงผมจ ะ, จะได้บุญมากท่านอาจารย์ตรงนั้นก็เออในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าให้ทานถ้ามีการเสียสละคนที่มีการทําบุญทําทาน เกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากเพราะมีเป็นผู้เสียสละอเ น, นสงสานไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความอุดรมสมบูรณ์เพราะอ น, นสงสานทำอะไรทำมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรือ ง, เ, องเพราะอนกสงสารท า, าทบุญทาทานนะครับผม เ, เศรษฐีหนุ่มคนนั้นตั้งอกตั้งใจทำทานโอ้รู้สึกเอิบอิ่ม กิจการงานก็หลุดหน้าไปได้ดีทุกอย่างราบรื่นเออพระคุณท่านจะทำอย่างไรผมจะได้บุญมากกว่านี้รักษาศีลคนเราต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบถ้าเกิดมาถ้าคนหลายๆค น, ไ ม, มคนไม่มีกฎไม่มีระเบียบจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้อย่างน้อยก็เราในละคนหนึ่งเฮปเป็นผู้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบรักษาศีลห้านะครับผม รักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยไม่คิดโคดโกงขอรบสามีภรรยาคนอื่นอย่างแข่งครัดไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นไม่ดื่มของมือหมาเ อ, อมีความสุข อ, อ, อยู่ในครอบครัวมีความสุขจากนั้นพระคุณท่านจะทำยังไงผมจะมีความสุขอย่างมากกว่านี้ เออรักษาศีลอุโบสถเป็นคลังข่าวนะวัน8ค่ำ15บาค่ำควรจะรักษาอุโบสถศีลรักษาศีล8ป อ, อใครๆจะได้ฝึกขัดทางด้านจิตใจด้วยครับผมจากนั้นมารักษาศีลโอ้มีความสุขขึ้นเรื่อยๆเนอยทีนี้ก็พระคุณท่านแอ่จะทำยังไงผมจะได้ปุนมากกว่านี้ อ, อีกพระ เจ้าอาวาดที่เป็นพระตนตระกูลก็บอกว่าบวชถ้าถ้าบวชจะได้บุญมากเพราะว่าเราจะได้หลีเกเล้นออกไปอยู่ตามลำพังจะได้ภาวนาดูจิตใจของตอนเองมีโอกาสที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารดึงถึงแดนพระนิพพานได้ง่ายๆไม่มาเวียนไหวาตายเกิดตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัตินะ ถ้าอยากจะได้บุญมากกว่า้ต้องบวชเท่านั้นแหล ะ, ะครับโยมเศรษฐีหนุ่มก็ได้เลยบวชพอเข้าไปกัไปท่องเอสาหางอะไรเสร็จเรียบร้อยตามพระวินัยของพระพุทธเจ้านี่ท่านจะไม่ให้สอนวินัยก่อนนะผู้ที่จะบวชเนีท่านจะไม่ให้สอนว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกปาราชิก4 ส, สังคาที่เจติปสามานิยต2นิจกียปาจิตตี3ามสปาจิตติบสปฏิเทจนิยะส เสกียวัตเสนับทางอธิกรณะสมรติเข้ารวมเป็น227เนี่ยท่านจะไม่ให้สอนนะท่านจะไม่ให้สอนวินัยก่อนอถ้าหากสอนวินัยก่อนมันจะท้อนะอมันจะท้อแล้วก็ถอยท้อถอยอไม่สู้วินยนะัยเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยกฎเกณฑ์สำหรับคนที่เข้ามาบวชท่านจะไม่ให้สอนวินัยก่อนอจนบวชเสร็จเรียบร้อยท่านท่านจึงจะสอนทำและวินยัย จากนั้นก็คนนี้นก็เข้ามาเขาสอนเอสาหัง ah ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาบวชพอบวชพะ อ, อุปชาก็สอนเลยแตอย่างอุปชาสอนเมื่อวานเนี่เกสาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันตาโจงกระให้พิจารณาอย่างไรจึงเป็นพระกรรมฐานพิจารณาอย่างไรจึงเป็นไม่ใช่พระกรรมฐานฮ อ, อุปชาก็สอนเลยแต่ไหนให้พิจารณาเป็น หเห็นตามความเป็นจริงเกษาผมเกิดมายัางไงขนเกิดมาย่างไงเล็บเกิดมาอย่างไงฟันหนังถ้าว่ามผมหล่นลงไปเป็นไงขนหล่นไปเป็นไง เ, เล็บไม่แคะไม่ล่างเป็นยังไงฟันไม่แปลงฟันไม่รักษาฟันเป็นยังไงและวหนังเป็นยังไงไม่อาบน้ำชำระกายเป็นยังไง อ, อันนี้คือพระอุปชาสอนกรรมฐาน5พอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ออกจากพระ อ, อาจารย์พระ อ, อุปชาไปแล้วก็ไปหาพระ อ, อาจารย์พระบวชใหม่นะต้องให้สัมรวมระวังกิจที่ควรทำสี่อย่างกิจที่ไม่ควรทำสีอย่างเรียกว่าปลาและชิก4ี่โทษประหารมีอยู่สประการถ้าว่าใครทําผิดอย่างนี้แปลว่าโทษประหารมีอยู่สข้อแล้วก็อนุโทษอนุประหารมีอีก อาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนนะแต่มาถึงพูดถึงจุดนี้ก็ระวังระวังจุดหนึ่งเหมือนกันนะอยากจะเตือนพระใหม่แล้วก็พี่น้องที่เป็นญาติของพระใหม่ถ้าไม่จำเป็นจริงหลวงพ่อว่าไม่อยากจะให้ใช้โทรศัพท์ในขณะที่บวชใหม่เพราะยังไม่รู้เกี่ยวกับวินยัยวินัยจุดนี้คืออะไรวินัยจุดนี้ก็คือพระใหม่เนี่ย เออพอมันจิตใจมันคิดว่าเว้าวางว่งง่อมเงาเหยียบเหงาเออซึมเศร้าขึ้นมาแลวก็นีน่แหละอาศัยพึ่งโทรศัพท์อย่างนั้นก็โทรศัพท์ถึงใครต่อใครแล้วแต่แต่ว่าถึงใครต่อใครก็ไม่เป็นไรแต่ถึงที่ว่าภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังคาที่เศษเนอันนี้ก็คือเป็นอปาติร้ายแรงนะรองจากโทษประหารลงมาเลย เพราะนั้นหลวงพ่อเองเออถ้าไม่จําเป็นนะลูกหลานนะเรายังไม่รู้จักวินัยจุดนี้ถ้าเราต้องการความบรสิสุทธิ์ผุดผ่องในการเป็นพระเราควรจะงดใช้โทรศัพท์นะลูกหลานน ะ, เ, ะเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกเพียงเดือนเดียวมีอะไรก็มีโทรศัพท์ในวัดของเราก็มีอยู่ทั้งโซเฟอร์ทั้งอะไรก็มีมีทางออกมีทางได้คุยได้บอกกล่าวได้แต่ตัวเองมีขึ้นมาแล้ว ถ้าไม่รู้จักรักษาวินัยเนี่ยเป็นอาบัติได้ไง่ายๆนะคำว่าพูดเกี่ยวหญิงคำนี้นะใครข้าว่าเกี่ยวพาราศีเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวมันมันล่อแหลมเหลือเกินอันนี้แหละถ้านั้นทาเป็นไปได้ไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีเลยละ่ะพอหลวงพ่อบอกว่าไม่แนะนำเรื่องโทรศัพท์นะเพราะนั้นบอกกล่าวให้พาลูกพาลานทั้งหลายนะถ้าว่าใครอยากจะ มาเพื่อศึกษาในภาคปฏิบัติจิตตภาวนาแล้วก็ควรจะตัดขาดออกไปช่วงระยะหนึ่งนล่และคือเกี่ยวกับวินยัยหลวงพ่ออาจะสอนกิจที่ควรทําและกิจที่ไม่ควรทําเราควรจะวางตัวยังไงเวลาการจะฉันต้องรับประเคนทุกอย่างก่อนจะฉันเวล า, าจะฉันต้องนั่งสะก่อนจะ่าไปดือยยืนอย่าไปเดินเคี้ยวอย่าไปเยินดื่มน้ำํำอุ นั่งปัจุจระปัจฉะวะ์ต้องนั่งสะก่อนจะไปยืนปัจฉวะอย่างนี้แหละพิวรไนมันมีหมดอันนี้ก็คือสอนเดินบินธบัต ท, ทํำยังไงเราจะรับบินธบัตโดยเคารพเมื่อรับบินท บ, ทบัตเราจะเเรดูแต่ในบาทเราจะไม่ฉันดังจับาจาับเราจะไม่ฉันดังสู้ดสู้เราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปาก เราจะไม่ฉันแลบลิ้นเราจะไม่ฉันทํากระพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพรางสะบัดมือพรางเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจักไม่พูดอันนี้คือพระวินยัยพระพุทธเจ้าสอนคือศินสองร้ี่สิบทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยแต่ไม่ทั้งไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ยกมาเป็นประเด็นให้พวกเราได้ศึกษาอันนี้สําหรับวินัยสอนพระการอยู่การฉันการคลองผ้านี่แหละ ทีนี้พระองค์นั้นน่ะที่บวชเข้ามานี่ยพอเจออาจารย์สอนเกี่ยวกับวิทยในเท่านั้นแหละโ อ, โ อ, โอ้ตายข่ากว่าอยากจะได้บุญมากๆพอมาเจอกฎระเบียบเขาเทีานี้หาช่องว่างไม่ได้เลยอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดถ้าเราทําลงไปมันผิดเนี่ยเราจะทํายังไง อ, อแล้วก็เป็นบาปเลนี่ยเพราะมันผิดผิดวินัยผิดกฎระเบียบ โอ้ไม่ได้ไมไถ้าว่าเราเป็นฆราวาสเรายังมีช่องทางรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเราก็ยังพอที่จะไปสู่มรรคสู่ผลได้สู่สวรรค์ชั้นฟ้าได้อันนี้มาบวชเป็นพระอย่างเนี้ยอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดออปัญหาช่องที่จะเดินก้าวอย่างได้ยากมากเลยเนี่ยพวินัยโอ้ผมผมคงจะบวชเป็นพระไม่ได้ครับผมอยากจะศึก ปวดเข้ามายังไม่เท่าไหร่พอสอนวินัยให้ตอนนั้นอยากจะศึกทีนีอ่อาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกเหมือนกันจะว่าเขาหาักหน้าก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาฟังดูแล้วเนี่ยเขาทำไม่ได้ เ, เขาท้าอพอวินัยละเอียดอาจารย์ก็บอก อ, อันนี้วินัยเนี่ยไม่ใช่ของอัตมานะ ว, วินัยเนี่ยเป็นของของพระพุทธเจา้าเอาท ถ, ถ้าว่าคนที่เข้ามาบวชอย่างนี้ แล้วก็พูดอย่างนี้ขึ้นมานะพอบวทเสร็จแล้วก็สอนวินัยให้ไปโอ้ผมอยู่ไม่ได้แล้วครับวินัยเข่งคัดเกินไปกดระเบียบตึงจนเกินไปผมอยู่ไม่ได้ครับน้าจะทํำยังไงต่อไปภายภาคหน้าเอ า, เอาเอาเถอะเมื่อเขาอยากจะสึบก็นี่คือต้องพาไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าก็อยู่วัดป่าเชตตะวันไงไปผ้าใหม่ไปไปถึงแล้วก็ทูเปเป็นอาจารย์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าวันนี้นี่ กุณระบุที่เขามาบวชพระเจ้าค่ะเลียงลาดับให้ฟังตั้งแต่เขาเป็นคารว์อยากจะได้บุญให้ทานรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดแบบนี้ก็ได้แนะนำให้เขาบวชพอเขาบวชเข้ามาแล้วก็เขามีความท้อแท้ในจิตใจเขาอยากจะซึกเขาไหวเขาอยู่ไม่ได้เพราะมันกดแะเบียบเข้มงวดเกินไปพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านท่านก่อนนะอย่างนั้นจริงไหม พิสุไม่พระเจ้าข้าเธอรักษามากไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าข่าถ้ารักษาอันเดียวรักษาอันเดียวได้ไหมโอ้ถ้ารักษาอันเดียวถึงจะยากขนาดไหนข้าพระองค์จะรักษาพระเจ้าข่าเออเอาทางนั้นไม่ต้องรักษาอย่างอื่นนะไม่ต้องรักษาศีลอย่างอื่นนะให้รักษาใจอย่างเดียวเท่านั้นนะเอออย่าไปคิดไปอย่างอื่น ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดอันไหนที่มันจะผิดอย่าทำอันไหนที่มันจะถิดจะผิดอย่าพูดให้มีสติอยู่กับตัวเองเท่านั้นละ่ะรักษาใจอย่างเดียวนะได้ไหมได้ครับเออพระองค์นั้นก็เลยรักษาใจอย่างเดียวพวกเราคิดดูสิพระพุทธเจ้าฉลาดไหม <c oughs> รักษาอย่างอื่นมันยากใช่ไหมให้รักษาใจ รักษาใจคือรักษาต้นต่อต้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงนะถ้าใจไม่คิดจะคนตายแต่ไม่มีใจมันจะไปทำอะไรไดเ้เมื่อใจของเราคิดขึ้นมามันยังค่อยทำยังค่อยพูดก็รู้อยู่แล้วว่ามีสติอยู่กับตัวเองสิ่งไหนที่มันที่มันไม่ถูกก็รู้แลลเอย่าไปทำมันสิสิ่งไหนที่มันไม่ถูกอย่าไปพูดมันสิเนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าให้สอน ให้รักษาใจอย่างเดียวนะพระองค์นั้นก็เลยรักษาใจอยู่ทั้งวีทั้งวันไม่นานนะท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันตนะ์ว่อใจของท่านไม่คิดออกไปไปข้างนอกท่านก็เกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะนี่แหละรักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาและได้ฟังแล้วนํามาคิด ร้วนแล้วแต่ให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความอดทนให้ใช้ความเพียรสรุปแล้วก็คือเน้นทางปัญญามากกว่าอย่างที่พวกเราคิดดูซิพระพุทธเจ้าท่านให้รักษาอย่างอื่นให้รักษาใจอย่างเดียวเพราะฟิตรอยู่ในนั้นธรรมก็อยู่ในนั้นฟิตอยู่ในนอยู่ใน ใ, น ใ, น ใ, นใจมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมนโหปุพังคมาธรมา แเป็นพระบาลีออกมาลักษณะอย่างนั้นดงนั้นขอให้ใหพวกภาคใหม่หรือคณะทายาติโยมผู้ที่เกี่ยวข้องที่หลวงพ่อได้พูดแนะนำบอกกล่าวให้ฟังขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนำไปไปพิจารณาการกรองไต่ตองเหตุและผละโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องโทรศัพท์นะหลวงพ่อไม่แนะนาเลยไม่อยากจะให้ใช้เลยมันร่อแหลมต่อ เพจบันประชิดของพวกเราอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่นะเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมผู้ใดจะกลับก็เออเอาเดินทางนะื้ไม่ต้องรีบต้องเร่งนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่นนะทานอาหารสกอนอาหารพวกเราก็มีมากอยู่วันนี้เพียงพอสําหรับพวกเรานะเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วยังค่อยเดินทางกลับด้วยความสะดวกและก็พร้อมกันไม่ต้องห่วงเนะื้อพระใหม่ หลวงพ่อกัอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหมอด้วยกันถึงจะไม่ถึงกับหมอก็จ ะ, ะเรียนวิชาทางนี้มาพอสมควรก็จะดูแล ก, กันสําหรับพระเก่าพระในวัดหลวงพ่อก็อจะให้ดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ให้บอกโรงพยาบาลนายจูงห้องเราก็อยู่เกือบจะว่าติดติกับรั้ววัดของเราก็ว่าได้ไม่ห่างไกลไม่ถึง2กิโล เวลาปิดยเจ็บไข้ได้ป่วยก็นั่นอ่ะอันดับแรกก็ส่งโรงพยาบาลนายูงก่อนถ้าหากว่าหนักหนาขึ้นมาแล้วก็ยังคอยว่ากันตามขั้นตอนการดูแรลรักษาเมื่อพอนั้นพร้อมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผ้าใหม่ไม่ต้องห่วงแต่มันก็อดห่วงไม่ได้แล้วล่ะเพราะความรักลูกนะแต่ถึงยังไงก็ส่วนหนึ่งช่วงนี้เดือนหนึ่ง ออกมาประพุทธปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องต้องทกขยากลําบากพอสมควรอาจจะให้สบายสะดวกสบายเหมือนอยู่ในบ้านมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเป็นวิชาหนึ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ถ้าพวกเราเรียนวิชาในโลกนี่มีลหลายๆอย่าง อ, าอันนี้คือวิชาหนึ่งเหมือนกันนะเป็นวิชาที่แกร่งนะหลวงพ่อว่านะ ธำไมจะว่าแกร่งสอนวิชาให้แข็งคล้ายๆกับว่าต่อสู้กับธรรมชาติต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมต่อสู้กับเรื่องราวการเป็นอยู่อดทนต่อการอยู่อดทนต่อการฉันอดทนต่อที่หลับที่นอนอดทนต่อการไปมาหาสู่อดทนแต่หลายๆอย่างเป็นนักพจนักบวช เมื่อเราได้อดทนต่อสิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปภายภาคหน้าเราอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะได้ดูรู้ว่าควรจะใช้สติใช้ปัญญาใช้เรื่องแนวความความรู้อย่างนี้กับเรื่องเหล่านี้อย่างไงพวกเรามันเรียนรู้พอเรียนรู้ไปนสถานที่ใดเราก็จะเอาตัวรอดได้ไง่ายๆไม่ใช่ว่าเหมือนกับไก่ออกมา จากในกงยังไม่รู้อะไรโตเตก็เดินไปหึงชนบางตอเขาได้ง่ายๆแต่ถ้าเราออกมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้เราได้เรียนรู้อย่างนี้นะตามธรรมชาติอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เป็นวิชาขนแขนงหนึ่งอีกเหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อยังนึกดูเรื่องของหลวงพ่อเหมือนกันในสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กโยมพ่อโยมแม่ก็ส่งขึ้นไปที่ภูเจาก้อป่ารงพงไพ่มีกระทั่งเสือในสมัยนั้นอนะ่ะ อายุสิบเอ็ดปีกว่ากว่าจบป .4 นอนอยู่คนเดียวในถ้าอีกต่างหากอมีกุฏิเล็กๆแล้วว่าแล้วเวลาเดินน่ต้องใช้ไฟเทียนไฟฉายก็ไม่มีอีกต่างหากมีไม้ขีดแล้วก็มีเทียนเวลาฝนตกหรือเวลาลมแรงคิดดูก็แล้วกันะจงใช้วิธียังไงมันต้องใช้ความคิดตัวเองเหมือนกัน่ะจะทํายังไงไฟจึงไม่ดับนะ ต้องหาอะไรมาบังเวลาเดินไปต้องเดินแบบไหนเนี่ยมันเป็นอยู่ในภูเขาอีกั่งหากนี่แหละอันนี้คือวิชาความรู้เรียนไปทีละน้อยละน้อยทุกวันในหลวงพ่อ น, นึกย้อนหลังมาเออถ้าว่าพ่อแม่ไม่ส่งเข้าไปอย่างนั้นเราก็คงจะไม่แกล่งถึงขนาดนี้เหมือนกันแฮนี่แหะอันนี้พ่อแม่ส่งเข้าไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นเออเราก็ดูดูแล้วเรารู้หมดเลยทีเดีย ในการเป็นอยู่ของเราเดินการเป็นอยู่การหลับการนอนการไปกลางคืนดูยังไงก้อนหินยังไงโคดไปยังไงงูไปยังไงอมมแมลงตะขาบไปยังไงเรียนรู้หมดมเพราะอะไรเพราะว่าเรียนกับธรรมชาตินะนี่แหละจากนั้นพอมาอยู่ไปนะักสถานที่ใดเราก็ได้รู้เรเรียน มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมาแล้วเนี่ยแต่หลวงพ่อเองมาถึงจุดนี้นะ่ะยังไม่เคยมีนะที่งูจะกัดหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยตาไวเนี่ยเอรู้ลเลยวิธีการดูในตะขาบเนี่ยก็ไม่เคยแต่มแมลงป่องเอ่ยมีอยู่มแมลงป่องมันเอาบัดเพื่อน ะ, อะพอเราไม่จับมันอยู่ไปจับไม้มันอยู่ข้างล่างใต้ไม้เนี่ยเราก็ไม่ได้ดูมันนะ่ะแมลงป่องเนี่ยมันเคยมีอยู่นะ นี่แหละสิ่งเหล่านี้เราอยู่ธรรมชาติต้องได้เรียนรู้นาเนี่หลมพ่อบอกเออพระใหม่นะ เ, เวลาได้ยินเสียงลมอูอ่อู่อู่มานี่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ใต้ถุนศาลานะให้มันหลบอยู่ที่นี่อย่าไปอยู่กุฏิไม่ได้นะอยู่กุฏิท่านมองดูถ้าไปกุฏิก็มองดูมองคือดูขึ้นบริเวณที่ตัวเองพักมีต้นไม้ใหญ่ไหมถ้ามันโค่นมามันจะถึง กุฏิเราไหมเราต้องศึกษาต้องดูอันนี้คือความปลอดภัยของตัวเองทั้งหมดเถ้าหากว่าดูแล้วเออถ้าเสียงอู่อูมาเนี่ยลมมาแล้วนี่ยพายุมาแล้วนี่ย เ, ออเดือนเนี่ยนะเดือนมีนามเมษาพฤศภาเนี่ยนะเออมื่อวานบังกอง ก, ก็ได้ยินเลยถลมทางมุกดาหารหมดไปตั้งสองสามร้อยหลังคาอแล้วก็นะได้ยินที่นั่นที่นี่บ่อย วาะ น, นั้นลมตัวนี้แหละอันตรายเหมือนกันทางว่าพวกเราได้ยินแล้วก็หาที่หลบหรือว่าอย่างพวกเราอยู่เดี๋ยวเนี้ยอไปในสถานที่ใดกุฏิของตัวเองเราต้องมองดูท้องฟ้าเออทางว่าลมมาเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันจะโค่นมาเนี่ยมีไหมแถวนี้ให้ถ้ามีแล้วเราจะหลบไปที่ไหนในขณะที่ลมมาเนี่ยอันนี้เราต้องวางแผนตัวเองไว้เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อบอกเลยบอกถ้าอยู่ในละแวกนี้เนะี่ย ใต้ถุนสลาเนอะสล า, าหลังสล า, าหลังนี้แหละต้นไม้ร่มโค้นมาไม่ถึงแต่โรงครัวก็เหมือนกันถ้าอยู่พวกที่อยู่โรงครัวได้ยินเสียงลมอู้อู้นะ่ะให้มาที่โรงครัวต้มนำ้ำร้รนที่โรงครัวทําอาหารนะ่ะใครมาอยู่กระจกุก จ, จ, จุดนั้นถือยังไงไม้โค้นลงมาไม่ถึงจุดนั้นเนีเพราะว่ามันมันเป็นส่วนว่างของต้นไม้ที่โค้นไม่ถึง แต่ถ้าอยู่กุฏิแล้วอันตรายอยู่นะถ้าลมถ้าหากว่าไม่มีลมก็ไม่เป็นไรนี่แหละสิ่งเหล่านี้เราไปอยู่นสถานที่ใดให้เราสังเกตพิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเรานะั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราจะควรจะแก้ไขอย่างไรนี่แหละอันนี้แหละคือเราเรียนรู้ตามธรรมชาติ ในหลวงพ่อไปอยู่นัชสถานเนี่ยหลวงพ่อจะแนะนำํำไม่ใช่จะอยู่นัชสถานที่นี่แห่งเดียวนะเราไปอยู่นสถานที่อื่นก็เหมือนกันอถ้ามีลมอะไรขึ้นมานะเราจะหลบอย่างไงเราจะหลบอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ใกล้ใล้สะพานเราลงไปอยู่ใต้ถุนสะพานเลยเนั่นแหละปลอดภัยนะทางว่าอยู่ในถ้ามีรถนวิ่งรถไปอยู่นะั้นลงไปที่เปียวๆในที่โลง่ลงๆนะจอดรถแล้วกันนะั้ อยู่ในอยู่ในรถเลยอย่าไปอยู่ใต้อยู่ไปอยู่ในที่เนินถ น, นนเกินไปก็ไม่ได้ลมอุ่มรถเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักที่หลบที่หลีกอันนี้คือทำมชาตินะแต่ถึงยังไงเราจะหลบยังไงก็หลบได้นะทำมชาติพอหลบได้อยู่นะแต่มรณะภัยความตายเนี่ยหลบอยู่ที่ไหนก็าไม่พ้นนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะมีทางเดียวจะให้ภาวนา ให้พ้นทุกเนะื้อวัตตะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดนั่นนะ่ะ ห, หนีมรณะภัยหนีได้แต่นอกนั้นนะหนีไม่ได้หนีธรรมชาติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแผ่นดินไหวพายุถลมนะ่มเลยน้ําท่วมเลยพอหนีไหวเถ่ะนะแต่หนีความตายพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันหนีความตายนี้ที่ไหนหนีไปยังไงก็ไม่พ้นมีแต่เอาคุณงามความดีนะั่นสู้นะอพระพุทธเจ้าพาสู้ด้วยคุณงามความดีชําระใจไม่ให้ มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงจะตายที่ไหนก็ตายทีร่างกายทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคำคล้ายๆว่าทิ้งร่างกายแต่ไปนู่นเอากายทิพย์เอาพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านแนะนำอย่างนั้นนะเราพวกเราทุกๆท่านเนอะอยู่นสถานที่ใดจะตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าประมาททางโลกเนี่ยพายุมาจะหนียังไงแผ่นดินไหวจะอยู่ยังไงน้ำท่วมมาจะอยู่ยังไงเวลาความตายมาถึงเรามีพร้อมอะอย่างคุณงามความดีบุญกุศลของเรามีพร้อมอะอย่างที่จะข้ามพบข้ามชาติไปจุดนั้นได้รับพรโนะโมทนาให้พร